ใช่ไหมพอจะชัดเจนนีอยังเดีเนี้ยเอา้ายอมสํารวยถามอะไรที่ไม่สว่างอะไรที่ไม่ชัดถามมาถ้าตอบไม่ได้จะได้ให้พวกเราเนี่ตอบแทนเอา้าเใช่ก็ประเด็นอยู่ตรงนี้ยอมสํารวยว่าตอนที่ว่าทําดีกับลูกเนะในขณะที่ทําเนี่ยทําดีตามรูปแบบหรือทําดีที่เป็นศีลจริงๆมีสองอย่างนะทําดีตามรูปแบบคือเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นศีล เช่นเราเป็นแม่ต้องทำอะ่ะมันเป็นหน้าที่อะ่ะแต่เราไม่เคยปลุกเราเลยว่าเป็นกุศลศีล <c oughs> ก็ทำไปทั้งชีวิตเนี่ยอย่างนั้นเ็าเรียกทำดีตามรูปแบบก็เป็นคนดีปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ไม่เรียกเป็นคนดีในทัศนะของพระพุทธเจ้า <c oughs> ตอนท้อไม่สบายแล้วนั่นก็เข้าใจางไงนี่นะสมัยก่อนอะมาศึกษาคาสอนเนี่ยอะมาก็เออเวลาเวลายมพ่อยมแม่ไม่สบายมาก็ไป ไปไปเสร็จมาก็ไม่รู้นี่อ่ะปีติปีๆๆๆโสภะวาอัลลังสามมาสามพุโทโธวิชาผลไมหายเร็ ว, วเด้อเราง่วงนอนแล้วเนี่ยมันได้รูปแบบแต่มันไม่รู้เป็นทานเป็นศีลอย่างไงคือรูปแบบดีอยู่แล้วคือเราจะเป็นคนดีแบบรูปแบบหรือคนดีตามพุทธโอวาตก็เลือกเอาถ้าต้องการอยากจะมีศีลจริงๆก็ต้องเป็นคนดีตามพุทธโอวาตที่ทรงบอกไว้ ก็แค่นั้นไอ้อคนดีตามรูปแบบเนี่ยใครไปบอกว่าพวกเราไม่ดีนี่ไม่ได้เพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ตามรูปแบบใช่ไหมล่ะถ้ามีใครมาว่าเราไม่ดีเราโกรธไหมโราะเราทําดีเราต้องรับผิดชอบเราต้องหาทรัพย์เลี้ยงครอบครัวดูแลบุตรดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลญาติมิตรแต่เราก็ต้องเครียดเนี่ยเราก็ต้องวิตกกังวลเราก็ต้องคิดมากเราก็ต้องนอนไม่หลับ เราก็ต้องวิตกกังวลเราต้องบน่นล้วต้องจู้จี้แล้วต้องจุกจิกอันนี้ครับความดีตามรูปแบบแต่ไม่ใช่เป็นความดีตามพุทธโอวาทถามว่าเคยได้ยินนางวิสาขามาบ่นสามีไหมทั้งๆสามีเป็นวิชาทิฏฐิไม่บ่นนะเคยบ่นพ่อผัวไหมทั้งๆพ่อผัวนี่เป็นวิชาทิฏฐิไม่มีเพราะเธอเป็นคนดีตามพุทธโอวาท แต่ไม่ใช่ความดีเป็นรูปในรูปแบบเป็นความดีที่เข้าถึงความดีจริงๆเห็นว่าเป็นความดีทั้งนั้นที่จะรักษากระแสชีวิตให้พ้นจากภัยทั้งหลายเป็นต้นได้ไม่ได้ทำดีเพราะไปเห็นแก่หน้าตาแต่ทำดีเพราะเห็นว่าความดีนี่แหละเป็นสาระเป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นเครื่องคุ้มครองรักษากระแสชีวิตให้พ้นจากภัยในปัจจุบันและภัยในสังสารวัฏได้จริงอันนี้แรเข้าใจชัดไหม ก็เป็นภา้าระะในชาตินี้เลยอ๋อคือคนที่เขาบรรลุนิยมนะกิเลสในใจคือความโลภความยินดีความเพลิดเพลินมันถูกละถ่ายถอนออกไปอย่างแท้จริงความโกรธความหงุดหงิดทุ้งซ่านถูกละถูกถ่ายถอนอย่างแท้จริงเหมือนกับถอนรากของต้นไม้ออกมาเลยโมหะความมัวเมาลุ่มหลงหรือความเห็นผิด ความยึดติดทั้งหลายถูกถอนรากถอนโคนและไม่เกิดในกระแสชีวิตอีกเลยนี่เขาเรียกบรรลุแต่ถ้าไม่บรรลุนี่แปลว่าตอนนี้เกิดพอจเจริญกุศลมันก็ละได้พอหยุดกุศลเกิดเดี๋ยวก็ามาลุ่มอย่างเก่าอันมันก็เหมือนตอนนี้นนก็เหมือนกับเราตัดกิง่งตัดก้านตัดใบมันก็ขึ้นมาอีกมันไม่ถูกถอนรากเอกิเลสไม่ถูกถอนรากถอนโคนฉะนั้นคนที่เขาบรรลุเนี่ยก็ถอนรากเอกิเลสหลุดเลยอ่าถ้าใครเขาไม่ได้จํากัด ก็ก็ตรงนี้นะในชั้นของคำว่าบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยหนึ่งถ้าตนเองรู้ได้ตนเองเนี่ยต้องดูด้วยว่าตนเองมีความชัดเจนในพระธรรมหรือไม่เดี๋ยวจะไปอยู่ในข้อที่ว่าไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นนะสอง คนที่จะบรรลุได้หรือไม่ได้ต้องให้ผู้รู้ที่ท่านรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าเน่ยในฉะวิโสธนสูตรพระเจ้าจะตรวจสอบเลยนะถ้าบรรลุจริงเนี่ยคําสอนจะต้องตรวจสอบปุ๊ปๆตามลําดับตามขั้นตอนเลยฉะนั้นถ้าบอกว่าเอากิเลสลดหรือไม่ลดเนี่ยถ้าท่านผู้รู้ที่ฉลาดในพระธรรมคำสอนจริงๆนะท่านจะสอบสวนทัน ท, ทีเลยเอ้าคุณบรรลุอะไรลักษณะการบรรลุเป็นอย่างไรกิเลสที่ถูกละได้ตัวไหน กิเลสตัวนั้นที่ถูกละได้เวลาไหนและสภาพกิเลสที่ถูกถอนออกมันเป็นอาการอย่างไรและกิเลสตัวนั้นถูกถอนออกแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงเขาจะถอบถามไปเรื่อยๆเขา้านะเข้าก็จะถ้าตนเองไม่ได้บรรลุจริงก็จะเริ่มรู้โอ้หึหึจริงตอนนี้เราเข้าใจผิดมุมนั้นนึจากนั้นก็ต้องอาศัยท่านผู้รู้ที่ท่านฉลาดในการปฏิบัติและก็ในการเข้าใจในคําสอนอย่างดีตรวจสอบ เพราะบางท่านก็สำคัญว่าบรรลุแต่ที่จริงยังไม่ถึงก็มีนะก็เป็นยาง้งทั้งหมดเหล่านี้ก็คือจะไปยุติตรงที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ยุติที่เราอ ย, นะยู่นะยุติที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาบอกข้อมูลเร่ยนรู้ไม่ยิ่ที่ต้องมีไม่มีได้ไงแต่เราไม่มีโอกาสเห็นท่านแค่นั้นเอง ในอย่างนี้นะโยมนะถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าพระอริยมีหรือไม่ก็ดูว่าภายในห้าพันปีนี่เป็นอริยะเขตเป็นเขตคําพระอริยะถ้าหมดห้าพันปีไปแล้วเท่านั้นแหละจึงจะมีพระอริยะแค่นี้แหละแต่ว่าใครจะไปบัตถุปฏิบททรปปรัติเข้าถึงหรือไม่อันนั้นอีกอย่างอย่าไปสแสวงหาอริยะคุณภายนอกเมื่อเราได้เจอพระธรรมคาสอนมืดยาวแล้วอย่าไปสแสวง ให้มั่นใจในพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้ายังมีอยู่และปฏิบัติตามนั้นเลยนะปฏิบัติตามนั้นเลยถ้างนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีชีวิตเพียงแค่วิ่งหาอริยะคันนอก<ม>นะเข้านะเข้าก็เลยลืมนําอริยคุณคือเอาคุณธรรมของอริยะมาเกิดในตนก็จะเสียโอกาสดีไหมอริยภายนอกบางทีเราตรวจสอบยากเพราะ เราไม่ได้มีคุณธรรมอะไรที่จะไปตรวจสอบภาริยธรรมคนที่จะรู้จักพระโสดาบันแปลว่าท่านผู้นั้นต้องเป็นพระโสดาบันคนที่จะเป็นพระสกัทาคามีต้องต้องตัวเองต้องเป็นพระสกัดทาคามีคนจะรู้จักพระอานาคามีตัวเองก็ต้องเป็นพระอนาคาคนที่จะรู้จักพระอรหันต์ตัวเองก็ต้องเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าเราเป็นบุรุชนอย่าพยายามไปพยากร์ใครว่าเป็นภาริย์ มันเป็นการเลยโพม้วงตัวเดีดีไหมะไรันเพื่อให้หนูทานได้ดูมคะเมื่อกี้หนูยังไม่ว่าจา์สบทามสัเจนะคะที่เลือททางนะคะงที่ว่าเลือกประธานของรานนะคะ้นรู้รได้รูว่านรูปอารมณ์ธมารมกลาหารมพนธ์ดีไหมคะแค่นี้พอไหมคะหรือต้องเลือกเอาเอาอะไรเป็นประธานเอารูปอารมณ์เป็นประธาน ก็พยายามระลึกให้ทันยกตัวอย่างเช่นนะเออเอาเนี่ยเนาะถ้าเรามองมาที่วัตถุชิ้นนี้อะไรชัดสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้ววิตามินอะไรชัดเอาตัวเราเออไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไอที่มีคนนำอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีคนตามเนี่ยอันนั้นเป็นเพียงรูปแบบเพอเผลอใจเราไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะ เข้าใจเราไม่ได้คิดเลยว่าเอาสีเป็นประธานแต่ถามบอกว่าตอนนี้อะไรเด่นในใจเราก่อ น, น, นเอาวิตามินเราก็เอาธรร ม, มารมณ์นั่นแหละเป็นประธานข้าพระเจ้าขอเอาธรรมารมณ์คือวิตามินนี้เป็นประธานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเ ป, เป็นบริวารของวิตามินนี้น้อมถวายบูชาเดชภารานะใบูชาเดสงอย่างนี้ป็นตน้นหรือ ถ้ายิ่งชำนาญมากขึ้นก็เริ่มหมุนมากขึ้นจากเอาวิตามินเป็นประทานก็เอามาเอาโพรต้าเป็นประทานแล้วก็มาเอารสเป็นประทานแล้วก็เอาเสียงเป็นประทานเอากลิ่นเป็นประทานแล้วก็เอาสีเป็นประทานหมุนได้ตลอดหมุนไปจนใจผ่องใสอะใช่ชิ้นนั้นแหละสามารถหมุนได้ตลอดนั่นนะคือกําลังตกแต่งอะไรอตกแต่งจิตกําลังประดับอะไร ระดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อทําจิตให้เป็นอลังการละเพื่อทําจิตให้เป็นบริขารของสมาธิเพื่อทําให้จิตเป็นบริขารไม่ใช่ได้แต่ปากพูดขอเอาสีเป็นบาทานเอาเสียงเอากิน่นเอารสเอากดถ้าาเอาทำ ม, มาลองเป็นบริวารถาวายแด่ ب, พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่ยถ้าทําแด่พระสงฆ์แต่จิตใ จ, ใจวกแวกยิ่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอันนี้มันได้จะรูปแบบไง แต่พังก็ยังดีเราคิดอะไรได้บ้างใช่ไหมลองเราเคยนึกเบื่อหน่ายไหมว่าทําไมต้องคิดขนาดนี้นึกเบื่อหน่ายจะบอกนงะถามว่ากิเลสบางทีติดที่สีไหมยินดีที่สีไหมถ้าเราเอาสีถวายไปแล้วในความยินดีในสีจะหมดไปไหมบางทีติดในเสียงไหมบางทีติดในกลิ่นไหมบางทีติดในรสในโพธิภาพในทำอารมณ์ไหมฉะนั้นจะต้องหมุนทุกอย่าง เพราะมันเป็นพตั้งของกิเลสหมดจะต้องถอนกิเลสให้ได้จากการสละวัตถุนี้นั่นแหละจึงต้องต้องต้องไข้ควกันน่ะกิเลสนั้นหลอกเราจะตายอยอมเลยถ้างั้ น, น, นโอหเรียนเจาะพิธรรมมาก็มรรลุกันหมดสิแล้วบางทีเรียนจบมาแล้วยังฟังธรรมะมัออ่วอเลยบางทีนังเก่นะอามารู้จักหลายคนนะวุฒิไปอยู่ที่หนึ่งพิธรรมมาดินท่านก็เป็นแถวหมดโหแต่คนนี้ปฏิบัติยังไงเนี่ยโอ้โหสรารพัดรูปแบบเลยตอนเนี้ย เนี่ยทำไมไอ้ที่ตรงจากพุทธโอวาจริงๆมีน้อยมากเอาสิเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่จาแล้วมันเรื่องความเข้าใจเข้าใจไม่อยู่เข้าใจเรื่องความเข้าใจเพราะกิเลสเนี่ยมันยินดีในสีก็ได้ยินดีในเสียงก็ได้ยินดีในกลิ่นก็ได้ยินดีในรสก็ได้ยินดีในโผธาภะเย็นร้อนก็ได้ยินดีในตัววิตามินก็ได้ ฉะนั้นจริงต้องน้อมสละสีสเสียงสละกลิ่นสละรวดสละโหดธรมภาสละธรรมอารมทั้งหมดต้องน้อมสละดูสภาพใจในุเองจะไม่ติดจริงๆน้อมสละจริงๆอะโลพะเด่นจริงๆความไม่โลภเด่นและความไม่โกรธเด่นปัญญาก็เด่นเข้าใจชัดฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทําไมต้องคิดทําไมต้องตั้งจิตให้มั่นคงในการถวายทาน นั้นคือการสละกิเลสแปลกไหมเล่าเราสละบ้านมาไม่รู้กี่หลังแล้วทําไมเราเรายังถอนความยินดีในสีของบ้านไม่ได้อะนี่กิเลสหยาบๆเรายังถอนไม่ได้เลยอ่ะหรือเสียงพัดลมเรายังละความยินดีไม่ได้เลยอ่ะแล้วกลิ่นรสผดพ้าและทำมารมความสวยงามของบ้านเราทําไมละไม่ได้ทั้งๆที่เราให้ทานมาตั้งเยอะแยะอันนี้บ่งบอกชัดว่า การสลากของเราท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นไปเพื่อการถ่ายถอนแค่นี้ก็ตกมากันแล้วเบืนน้องต้นตกมาบาดเจ็บตอนนี้ตกมาบาดเจ็บเข้าใจไหมล่ะมันเรื่องการถ่ายถอนกิเลสแท้ๆการให้เนี่ยแต่ทำไมมันเพิ่มขึ้นละ่ะบางคนให้ยิ่งให้กิเลสยิ่งหนาบางคนโหงกมากขอใครนะอ้าวอาตมาเองดีกว่า สมัยโบราณเนี่ยหูยเป็นคนบางทีจต้องต้องนึกนินทาโยมพ่อดีกว่าเดี๋ยวพูดคนอื่นเน่ยเขาจะโกรธโยมพ่อเนี่ยพยาคำสอนขนาดไหนแกก็เป็นคนตหนีเขามาตหนีในที่นี้แกเป็นคนเคยจนมาไอความจนของแกเนี่ยแกเลยเจ็บปวดกับความยากจนแกก็เลยบอกว่าทางนั้นเก็บนั่นแหละมันถึงจะได้มี ถ้าให้เสร็จแล้วมันก็จะยิ่งหมดใช่มัมยิ่งให้มันยิ่งหมดยิ่งให้มันยิ่งหมดไอ้ความเข้าใจของคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเหตุของการให้มันนํามาซึ่งทรัพย์เขาไม่รู้เขาไม่รู้เหตุกับผลเขาเลยเก็บแกเก็บทั้งชีวิตก็ไม่ได้นะเข้าตอนนี้แกไปบอกแกบ่อยๆกระทุ้งบ่อยๆชี้เหตุที่ผมเดี๋ยวนี้โอ้โหบอกให้ทําอะไรทําหมดเดีย๋ยวนี้อัศอะไรสลศระหมด บางทีหันมาถามว่าจะให้ทําทั้งหมดเลยใช่ไหมก็บอกหออหมดเลยเอามาเคยเอามาไปอินเดียก็โยมพ่อโยมแม่ไปเอามาก็บอกว่าต้องคอยหลังจากกลับจากบรรยายแล้วกลับมาไปเสร็จมาต้องรีบเดินก็ไปนะ <_ c oughs> เดินก็ไปในห้องโยมพ่อยมแม่แล้วก็ต้องไปอบรมอีกนะเขาหลับกันแล้วามาเร่องว่าถามวันนี้สละอะไรไปบ้างคิดยังไง แนั้นแล้วต้องทำยังไงต่อแก่พวกแก่คนซื้ อ, อ, น, อน่ะบอกอไรก็เตาแก่ก็ไม่ก็เป็นเนี่ยนั่นแหละสลาย ห, หมดแล้วศีลได้กี่ข้อได้ห้าข้อไม่เอาเอาแปดต้องตวายไปพดวดตัวจ่าไปก็ไม่ไปิดแล้วน็แ้วก็ให้พาไปช่วยกันครับขยายความคือคือฝึกในการที่จะสละแต่เป้าหมายก็คือต้องการให้ท่านสละกิเลสให้ได้ อย่าไปสลากทานแค่รูปแบบเพราะสลากทานแค่รูปแบบมันจะมองไอ้คนอื่นมองเราไหมเนี่ยพอมองถวายอา้าวนายกอถวายทานไปห้าหมืนบาทเราชื่นใจเขารู้จักเราแล้ว <c oughs> ใช่ไหมต่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักเราเพราะราให้ทานตั้งห้าหมืนถามเ่ากี้เลยถูกสลามไหม <c oughs> ไม่ถูกสลาเลยแน่นกว่าเดิมอีกแน่นกว่าเดิม มันไม่ได้สละอะไรเพราะไม่ได้ปรุงแต่งจิตในการสละไม่ได้ถ่ายถอ น, นจริงๆกิเลสไม่ได้ถูกขุดคุ้ยให้หลุดไปจากกมามรสันดาลจริงๆถามว่าชีวิตเดินส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไหมใช่ค่ะก็จะสั่งว่าป่าเรื่องทำเงอย่ น, นี้ค่ะตอนากแล้วก็เวลาให้เนี่ยเขาก็ไมคิดอะไรชื่อเรื่องเอาก็ให้แาลหรือก็ให้อะไรค่ะหรือก็ทํามาเป็นประจำ ก็ตรงนั้นนั่นแหละสิ่งที่มันจะตามมาก็คือโลภะไม่ถูกกระชากโทสะคือความโกรธไม่ถูกกระชากออกจากใจโดยเฉพาะโมหะความมืดบอดดูเหมือนปัญญาเปียบเลยเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเราเฉยๆยแล้วเอาไปเหอะไปโมหะไอตัวที่น่ากลัวมากความมืดบอดของจิตไม่ถูกทําลายเราไปคิดว่ากิเลสในใจนะ่ะมันมันไม่มันรู้สึกมันจะเบาเหลือเกินละได้ง่ายที่ไหนได้ไม่ใช่เลย กิเลสต้องคิดต้องกระชากตลอดต้องกระชากออกตลอดต้องกระตุ้นต้องให้พลังของกุศลเกิดถึงจะเห็นโทษของกิเลสถ้างั้นเราจะไม่ขุดกิเลสออกจากใจได้กิเลส น, นี่มันวิจิตมากแ น, นวันนี้เราคิดเรื่องสีเสียงกินรสสัมผัสและวทำมารมเดี๋ยวมันไปวิจิตเรื่องอื่นอี่หนักเข้ามันไปวิจิตอีกชิ้นหนึ่งหรือติดอีกชิ้นอื่นเลยเราปรุงแต่งชิ้นนี้จนชำนาญเราไม่ยึดแล้วนะหนักเข้ามันมันแปรเปลี่ยนนะ มันเปลี่ยนสภาพของมันมันไปยึดอยู่ๆเห็นไหมสีเสียงกินรสสัมผัสน้ํำนี่นะตัวอย่างนี้ม่ยึดแต่พอมันไปเปลี่ยนเป็นสีเสียงกินรสบาดโอ้โหยึดแล้วทั้งๆมันอันเดียวกันนะเนี่ยอันเดียวกันนะอ้าวพอมันก็เปลี่ยนสภาพเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสเป็นไอ้ไมโครฟน่ะยึดอีกแล้วถ้าไปเปลี่ยนเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสเป็นพัดลมยึดแล้ว หรือถ้ไปเปลี่ยนเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสเป็นรถเบนซ์โอ้โหยึดใหญ่เลยยึดใหญ่เลยแต่นี้ยรถวอนวัโอ้ยืดใหญ่เลยแต่นี้ยถ้าไปเปลี่ยนเป็นสีเสียงกินรสสัมผัสเป็นสามีโอ้โหยใจแทบขัดเลยสลัไม่ไหวแล้วใช่ไหมพะมันมีมันมีกระแสชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิตแล้วพอมีกลุ่มนามมาทำเช่นสีเสียงกินรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ที่มีชีวิตที่สมมุติเรียกว่าโลกโอ้โหยใจแทบขาดเลย ใจแทบขาดมันยึดมากเลยตอนนี้ยฉันไม่ยึดล็อกแล้วแต่เขาจะยังไงเธอมันเป็นจำนวนนะเป็นจำนวนนะเป็นแต่ลองเขาหกล้มตูมหึงใจแต่ขาดเลยตายแล้วเหมือนกับตัวเราหกล้มไปด้วยอ่ะดาใหญ่ตำหนใหญยแต่ที่ไหนได้ที่ตำหนีไปในความรักนั่นแหะโกรธเห็นไหม เนี่ยอย่าทําไมต้องปรุงแต่งสลัดเพราะเรายึดจนหมดแล้วยึดจนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เราไม่รู้ตัวว่าเรายึดไอสภาพจิต ท, ที่หลอกตัวเองก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นลองให้มันเปลี่ยนดิเราเหมือนว่าสีเสียงกินรสอันนี้เหมือนจะไม่ยึดแต่พอมาเปลี่ยนเป็นสีเสียงกินรสที่เป็นแหวนเอาี่ลองใครมาขอสิ โอ้โหใจแป้วเลยเนี่ยทั้งทั้งที่มันสีเสียงกินรสสัมผัสนั่นแหละมันไม่ต่างอะไรกันเลยต่างบัญญัติเรียกชื่อต่างบัญญัติในการเอาใช้แค่นั่นแหละหรือสีเสียงกินรสที่เป็นเสื้อผ้าหรือสีเสียงกินรสที่เป็นสร้อยที่อยู่ในคอดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นโทษของกิเลสที่ไม่ได้สละดจริงว่าทางกุศลมันไปแค่ไหนแล้ว บางทีสีเสียงกินรถเป็นตัวสี่ขามันยังไปยึดเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยึดใช้ขอไม่ได้ด้วยอตัวนั้นนะ่ะเราบอกเราไม่ยึดมั่นหรือมั่นแล้วเห็นไหมแท้ที่จริงก็คือสภาพจิต ท, ที่หลอกตัวเองเหมือนว่าละอะไรได้ที่จริงก็คื อ, อยังละไม่ได้จริงฉันเราจะต้องต่อสู้มันต่อไปอย่าแพ้อย่าแพ้ต่อกิเลสและยังอย่า ง, อางขออภัยนะอย่างโง่ต่อกิเลสต้องฉลาดกว่าเขา เพราะกิเลสเนี่ยมันจะกลัวความฉลาดแต่กิเลสจะชอบความโง่ความไม่รู้ยามใดความโง่ป ร, กรากฏพวกกิเลสจะมาลุมล้อมทุกตัวเลยแต่ถ้าความโง่หายไปนี่นะกิเลสมันจะหายอื่นเป็นแบบนี้ฉะนั้นะจึงต้องที่เราต้องมาวิจัยเนี่ยเพะให้ปัญญาเกิดใช่ไหมเพราะจะได้ทำลายความหลงนี่แหละจึงต้องมาวิจัยแต่มันเป็นเรื่องของความแข็งแรงของจิตใจ พอจะเห็นชัดหรือยังพอสุดท้ายค่ะพ อ, อยังมีอีกเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเป็นทําใจ ไ, ได้แต่อยากเข้าใจชรนภคมให้ถูกต้องคือมีสีเป็นที่พื้นมีพระธรรมของพระองค์ให้เข้าถึองโฆโฆโฆองค์รืองค์แห่งสารคตูนอย่างนี้ค่ะทุก ป, ปีเนี่ยเคยทำบุญไดล้ทางกับกลุม่มพระพิสุหมู่ใด แล้วก yeah, ็ทราบว่าเขาจังเป็นผู้ใชยเ่อนในบางประการตอนเนี้ยกำลังรังเอว่าเคยทำมาเป็นประจำในงานเอาเงินใสตซองถ้าจังไม่ทามันกรู้สึกว่าเรายังไม่ยังไม่ยอมกับจิตเดิมๆที่เคยทำถ้าจะไม่ทำเลยก็ยังไม่ยันรงเะเหมือนกันอ๋อตัวนี้ก็วิธี เวลาเราจะถวายปัจจัยแด่สงฆ์ก็ถวายให้ถูกว่าตัวเงินเนี่ยเราถวายแด่สงฆ์ไม่ได้แต่เราถวายที่เป็นมูลค่าได้เข้าใจนะต้องแยกกันนะถวายตัวเงินไปยัดไปมือพระไม่ได้แต่เราต้องการถวายปัจจัยที่เป็นมูลค่าหรือเงินที่เป็นมูลค่าแล้วก็ถามพระท่านว่ามี ว, วิทยวัจกรไหมที่เป็นผู้ที่ดูแล ที่จะสามารถจับจ่ายใช้ของสิ่งของนั้นให้แก่สงดูแลสงนั้นได้ถ้าท่านบอกว่ามีเราก็เอาปัจจัยดังนั้นไปแจ้งให้กับวิวักรทราบแล้วก็มาประกาศบอกกับท่านสงนั้นบอกว่าถ้าแต่สงผู้จเจริญข้าพระเจ้าได้ถวายปัจจัยโบน า, าเป็นมูลค่าจำนวนห้าพันบาทสมมุติหนึ่งถ้าพระคุณเจ้า ปรารถนาประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปกับพระธรรมวินัยให้เรียกร้องเอาเขวไว้ก่อนรุณท่านนะแกอย่าไปเรียกร้องเอาเงินแต่จงเรียกร้องของที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระคุณจเจ้าจัดนาไปใช้ในการประกอบกิจขงสงฆ์ถ้าอย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมชัดจเจนแต่ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะท่านมาเป็หมู่ใหญ่ม า, า, านจากตามจัหวับ้าง ไปหาว่กตอนที่จะดูาเดือนนี้ดีเออ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเช็คว่าท่านมาจากวัดไหนบ้างออออต้องีไความเพียรพยายามของเราทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นบุญเยอะขึ้นฉะนั้นเราต้องเช็คว่าท่านมาจากวัดไหน และแต่ลวัดเบ็ดเสร็จเหล่านั้นเราจะได้โอ น, นโอนปัจจัยไปนะเราแจ้งไว้ก่อนเลยท่านทั้งหลายที่มากันในวันนี้มีทั้งหมดห้าร้อยวัดข้าพเจ้ามีศรัทธาดิฉันชื่อว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีศรัทธาจะถวายได้สงฆ์ทั้งห้าร้อยวัดแต่ปัจจัยนั้นดิฉันจะเอายัดใส่มือพระคุณเจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นบาป ก, กับพระคุณเจ้า เพรา ะ, ระคุณเจ้าจะต้อง อ, งอบัตปในสิกขาบทนิสกียะปะจิตีเป็นโทษแก่ท่านแต่ดีฉันมีศรัทธาฉะนั้นดิฉันขอชื่อวัดไว้ตำบลอำเภอที่อยู่ไว้และดีฉันจะส่งไปให้กับวยวัดก่อนของท่านแล้วก็ให้กัวยาวัดก่อนที่วัดของท่านจัดการดําเนินการปัจจัยตามมูลค่าเท่านั้นเท่านั้นโอ้โหยิ่งได้บุญเยอะเลยเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปยัดใส่มือสอง ให้ท่านต้องมัวหมองในพระธรรมวินัยของพระชิณเจ้าดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีไม่ดีดเพียงแต่เราฉลาดในการให้ทานในการนั้นเพียงเลยทำให้ถูกทำให้ถูกต้องเราจะถวายเท่าไหร่ก็ได้จะสร้างเกียจะสร้างอะไรก็เหมือนเดิมแต่เราทำให้มันเป็นบุญที่จริงๆเพราะเราต้องการจะเดินตามรอยบากพระศาสดาม แต่เราอย่าไปตำหนีคนอื่นเขานะถ้าเขาทำไม่ถูกห้ามเด็ดขาดใครทำไม่ถูกเป็นเรื่องของเขาแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนี้ไม่ว่ากันหรอกแต่ถ้าเข้าใจแล้วทำให้ถูกมันจะยิ่งเป็นบุญเดี๋ยวเล่าให้ฟังนางมารีกาตอนนั้นไปถวายพระตาหานางคาาพระเดเยร์พร้อมด้วยสงฆ์แล้วนางฟังธรรมในวันนั้นน่ะพันตุลาเสนาบรีพร้อมด้วยบุตรอีกสามสิบคนสามสิบกว่าคนนี้นะโดนฆ่าตายในสงคราม เป็นสามีของเธอและเป็นลูกของเธอทั้งหมดคนใช้เอากระดาษมาเขียนรายงานในขณะที่เธอถวายทานแล้วฟังธรรมพอเธออ่านเบสเสร็จปุ๊บเธอก็พับกระดาษใส่แล้วเธอแลอ้วเธอก็ตั้งใจฟังธรรมอันนี้ถามว่าถ้าสามีตายในเรื่องใหญ่ไหมลูกตายทั้งหมดเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมแต่อะไรใหญ่กว่าพระรันาตนตรัยไง พระรัตนตรยัยถามว่าเมื่อตายแล้วแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้จิตของเธอก็ไม่แปรปลวนสมาธิก็ตั้งมั่นตอนนั้นน่ะถ้วยหล่นแตกพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่นเมริกาสังขารทั้งหลายเป็นแบบนี้แหละเธอก็ดึงกระดาษมาถาวายรายงานมาฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสักครู่เนี่ยคนใช้มาบอกว่าสามีและลูกตายในสนามลก ใจของดิฉันยังไม่หวั่นไหวเลยมีเข้าใจกุาสิกายอ่ะเข้ามัา่นคงไะถ้ามีโทรศัพท์จริงมาบอกไฟไหม้แล้วยังจะนั่งฟังว่าทำปิติเกิดอยู่ไหมต้องคิดให้ได้ต้องตั้งใจให้ได้ถามว่าเรื่องไฟไหม้ก็คือไฟไหม้ใช่ไหมแต่สภาพจิตใจที่เป็นเบกอกุศลสําคัญกว่าไฟไหม้ไหมถามว่าถึงไม่ไหม้วันนี้วันหน้าไหม้ไหมไม่พังวันนี้วันหน้าพังไหมพังอยู่ว่าจะบ้านเลย การจักระะกายเราก็พังคือเองว่าจวที่จะเป็นการปางหรือเปล่าคะอ๋อการเราพ่คือการปางพระธรรมคืออย่างนี้ในสมัยก่อนจริงๆการปังพระธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเหษุผลที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะฟังแล้วเกิดทําให้เราเข้าใจกระแสะชีวิตแล้วจะมาตั้งจิตตรงเมื่อตั้งจิตตรงแล้วกระแสะชีวิตของเราจะพ้นจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏภัยในใบภูมิได้เป็นเรื่องใหญ่ ไอ้ไฟไหม้บ้านเนี่ยมันเคยไหม้มาแล้วไม่รู้กี่ร้านร้านอัตภาพที่ผ่านมาแล้วถ้าตราบใดเรายังเข้าใจชีวิตผิดอีกไฟก็จะกลับไปไหม้เราอีกอยู่ตราบนั้นรถกระจองไปชนเราอีกตราบนั้นชีวิตก็จะต้องวิบัติอีกตราบนั้นฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมการเข้าถึงพระธรรมการเอาคําสอนของพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการนำกระแสชีวิตจึงเป็นความสําคัญที่สุดยิ่งกว่าชีวิตเมื่อพระธรรมหรือพระรัตนตรายในยสําคัญกว่าชีวิตแล้วยังอื่นจึงไม่มีความหมายนะ ไม่มีความหมายเพราะว่ากระแสชีวิตที่ผ่านมามันผิดพลาดนั่นแหละเราถูกไฟไหม้เราถูกน้ําท่วมเราถูกลมพัดแผ่นดินไหวเราถูกชาติภยัยคือความเกิดชราภายัยคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะภายัยคือความตายเราถูกความโศกความล้ำลายลําพันธ์พัดกระแสชีวิตเรามาอย่างยาวไกลชีวิตเราผิดหวังมาตลอดมีทรัพย์เราก็ทุกข์เพราะทรัพย์มีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรมีสามีมีภรรยาก็ทุกข์เพราะบุตรเพราะภรรยา มีอัตภาพประทุก พ, พ้อัตภาพฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นปัจจัยต่อการดับกิเลสและขันห้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเขาเข้าใจกระแสชีวิตจริงๆเขาก็เลยตั้งมั่นได้จริงแต่ไม่ใช่เป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้สเปรศปะฟังไปแล้วก็ไม่ได้ขัดเก้ากระแสชีวิตใดๆดัๆงนั้นก็รีบไปดับไปก่อ น, นเนี่ยดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นคําสอนของพรุทธเจ้านี่ย ก, ก, ก็ต้องรีบคว้าคําสอนพรนุทธเจ้าไว้ก่อน เพราะชีวิตเนี่ยถามว่าเราไม่ใจมันจะขาดวันไหนเรารู้ไหมที่นั่งนั่งกันยังไม่รู้ใครจะตายกันวันไหนเราไม่ใจขาดก็หมดโอกาสทําธรรมเมื่อฟังธรรมเข้าใจผิดแล้วก็ผิดไปตลอดสัตวัดแต่ถ้าเข้าใจถูกเมื่อไหร่เราจะปรับชีวิตของเราถูกทั้งสัตวัดฉะนั้นการเข้าใจประธรรมจึงเป็นความสำคัญที่สุด ต, ตอนนี้ได้แบบอย่างนางมลิกา ย, ยัางได้แบบอย่างที่เล่าเรื่องนางมลิกายฟังมยยังไม่ว่าชามแตกไม่ใช่ชามแตกสามีตายลูกตาย เนเห็นไหมแสดงว่าใจว้าวุ่นฟังได้แค่ชามแตกเดีเดียวใช่ไหมล่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าว่านางมา ร, ริกาเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมอันนี้คือสามีและลูกตายในสงครามไม่ใช่ชามแตกอา้าวสงควรเก็บเวลาเลย